ฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสําหรับเพจ QQ ทาไมวันนี้นะครับถึงต้องทำนะครับโอเคพร้อมไหมเธอพร้อมอยู่แต่ว่ามันไม่หน้ามันไม่ค่อยชัดอะคะ่ะไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องสนใจหน้าไม่ต้องสนใจหน้าวิาีดีกร์นะให้สนใจที่ตัวสไลด์อย่างเดียวก็พอนะครับ ว่าทำไมทำไมวันนี้เดี๋ยวตองจะสอนวิธีการนะครับเสกเงิน1000บาทของคุณนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากเงิน1000เนี่ยเป็นเงินหลักล้านได้นะครับบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าเอา้าแล้วมันจะเสกยังไงล่ะนะครับโอเคทั้งนั้นเราต้องมายอมรับความจริงกันก่อนนะครับว่ายุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยของการออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงเลยโดยคุณใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลักนะครับดูนะฮะ คือมันเป็นกระแสนะครับของอินเทอร์เน็ตออฟ s ิงที่จะมาในอนาคตภายในอีก 3-4 ปีเปีที่จะถึงนี้นะครับและยิ่งใหญ่กว่านั้นเลยนะครับในเรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟอ h i n ิงนะครับหรือเราเรียกว่า IOE ซึ่งจะมีมูลค่าการตลาดนะครับมาณส9ล้านล้านบาทนะครับเฉพาะในประเทศไทยหนไม่งในนั้นนะครับหนึ่งในนั้นเลยนะครับก็คือในตลาดของกลุ่มโซเชียลเหล่านี้นะครับใครที่เล่นโซเชียลแบบนี้มาบ้านนะครับผมเชื่อว่าทุกคนผ่านมาเกือบหมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนะครับ MSN นะครับหรือแต่ก่อนเนี่ยถ้าย้อนไปคุณอะไรอะคุณเจอ MySpace คุณเจอ Napster คุณเจอที่เกี่ยวกับการโพสต์่างๆโพสจัง .com y e นตาโฟ .com นะฮะคุณจะเจอโพสต์เกี่ยวกับพวกนี้เยอะแล้วเว็บเหล่านั้นเขาก็ทำเงินมหาศาลด้วยนะครับหรือแม้แต่กระทั่งในปัจจุบันนะครับที่เกี่ยวกับ Line Facebook Instagram หรือ t w i ส t e r นะครับที่เราใช้งานกันอยู่นะครับคถามก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะครับ คนที่ใช้โซเชียลเหล่านี้แคชพลอในประเทศไทยซึ่งจริงๆเอามันเยอะมากนะครับโอ้โหดูฮะเฟซบุ o กนะครับในประเทศไทยเป็นลำหนึ่งเลยก็คือประมาณ 32% นะครับไม่ว่าจะเป็น Line Facebook Messenger นะครับซึ่ง Facebook กับ Facebook Messenger ไม่เหมือนกันนะนะครับเฟคือพื้นที่การเขียนนะครับแต่ Messenger อ่ะคือ c h a t b o ตนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้กลุ่มโซเชียลเหล่านี้ถูกได้รับความนิยมและก็แพร่หลายซึ่งทุกคน่ะรู้จักหมดเลย นะครับ Google Plus นะครับหรือแม้กระทั้ง Instagram นะครับ Twitter นะครับทุกอย่างนะครับบางบางหลายบางบางอันเนี่ยก็คือหายไปแล้วไอ้ซ้ำนะครับเช่นบางคนอาจจะเคยเล่น High Five นะครับบางคนอาจจะเคยเล่นยินตาโฟนะครับหรือบางคนอาจจะเคยเล่นอะไรนะฮะ WhatsApp ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับหรือสมัยก่อนก็อาจจะเป็น BB นะครับทีนี้เรามาดูครับว่า World Wide Web เหล่านี้ เขาเขารวยมากเลยนะอย่างเช่นเฟซบุ o กนะครับเรามาดูกันนะครับอย่างเช่นเฟซบุ o กนะฮะทอตทีนฮะเฟซบุ๊กเนี่ยมาร์คซ์ก็เปิดรวยมากเลยนะครับหรือเจ้าของไล ne นะครับก็รวยมากๆนะครับจากการทําเงินบนออนไลน์หรือการหรือการทําเงินจากการใช้งานของคนนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้มันมีเม็ดเงินจํานวนหนึ่งครที่ลอยอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเม็ดเงินเหล่านี้มาจากไหนนะครับแน่นอนแหะครับมาจากการโฆษณามาจากการใช้งานมาจากการสื่อสาร ทั้งหมดหรือเกิดจากเมตรธุรกิจที่เกิดขึ้นนะการทรําธุรกิจแบบเชื่อมต่อการ connect people to people นะครับนั่นหมายความว่าวันนี้ครับเราเนี่ยกำลังจะใช้ช่องทางเหล่านี้ช่องทางออนไลน์เนี่ยบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยในการหาเงินจํานวนมหาศาลได้นะครับโดยมีการลงทุนที่ถูกมากๆนะครับซึ่งวันนี้ผมกำลังจะบอกช่องทางนะครับว่าช่องทางอะไรล่ะที่เรากําลังจะเอาเงินจากกลุ่มออนไลน์เหล่านี้นะครับเข้ามาที่กระเป๋าเงินของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับตอมจะแนะนำให้รู้จัก ว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เรากาลังจะหาเงินนะครับลองนึกง่ายๆครับวันนี้เนี่ยบิลเกตคุณสตีฟจ็อกหรือแม้กระทั่งมาร์คซักเบิร์ดเขาร่ำรวยจากการที่มาโผล่ถูกเวลานะครับในธุรกิจ IT นั่นหมายความว่าวันนี้ครับเราจะเป็นคนต่อไปนะครับที่ขึ้นมาอยู่ที่นี่นะครับหมายความว่าหรือนี่ฮะผมจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับนี่คือเพจคิวนะครับหน้าตานแบบนี้ นะครับเป็นโลโก้นะครับเพจคิคืออะไรนะครับเดี๋ยวทุกท่านมาดูกันก่อนนะครับจะจะได้ไปสื่อสารถูกนะครับซึ่งต้องเชื่อว่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นผู้นำนะครับแล้วก็คนที่กําลังเริ่มทำเพจคิวคด้วยนะครับทีนี้เพจค q วคือแบบนี้ครับเพจคิคเนี่ยเขาคือช่องช่องโซเชียลเด้เปิดประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเอ่อทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับเหมือนการเล่นโซเชียลทั่วไปนะครับเหมือนคุณเล่น Facebook เหมือนคุณเล่นไลน์เลยตัวนี้ก็จะเป็นเเระทหนนนมือกััคบ ที่ทําให้เราเนี่ยเขียนข้อมูลนะครับหรือการสร้างคอนเทนต์ต่างๆบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาต่างๆสเตตัสต่างๆนะครับรูปภาพนะครับคลิปนะครับในรูปแบบคอนเทนต์นะครับถ้าถ้าใครนึกภาพไม่ออกเหมือนเวลาคุณเปิดเข้าไปในไทม์ไลน์แล้วคุณจะเจอหัวข้อข่าวนั่นแหละครับเขาเรียกคอนเทนต์นะครับแล้วเวลากดเข้าไปดูเนี่ยคุณก็จะเห็นเนื้อหานะครับนั่นหมายความว่าวัานนี้ข้อมูลตรงนี้คุณสามารถโพสตอะไรก็ได้หรือสร้างคอนเทนต์อะไรก็ได้ลงไปนะครับอ่าคุณก็จะมีพื้นที่เฉพาะ นะครับสำหรับผู้ใช้งานนะครับแล้วก็มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับเวอร์ไวเว็บนั่นด้วยเสมือนคุณเป็นหุ้นส่วนกับเวอร์ไวเว็บเลยนะครับแล้วก็วันนี้คุณสามารถสร้างรายได้จากการใช้งานได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับจากการขยายนะครับแล้วก็ในรูปแบบของโครงสร้างนะครับตามเวอ Wi ไวนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยสรุปก็คือเพจคิวคิวเนี่ยเป็นเวอร์ไวคอน n t นต์ให้คุณสามารถสร้างคอนเทนต์ของคุณนะครับในรูปแบบของเวอ Wi ไวนะครับคุณเป็นเจ้าของพื้นที่คอนเทนต์ คุณสามารถหากําไรคุณสามารถหาไรายได้จากการที่มีคนเนี่ยกดเข้ามาดูคอนเทนต์ของคุณแล้วคุณก็สามารถขยายพื้นที่การสร้างคอนเทนต์ได้แล้วคุณก็จะมีะไรายได้เช่นกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวตราจให้ดูนะครับว่าแค่เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานนะครับปกติแล้วคือเรามีสแตนดาของเราจริงไหมเรามีรูปภาพของเราจริงไหมอ่าเราก็จะเอาข้อมูลของเราเนี่ยโพสลงไปเลยไม่ว่าจะเป็นใน Facebook นใน Google+ พลัสในยู u ูบนะครับใน t w i t t e r ร์นะฮะใน Instagram ต่างๆเหล่านีาา้นะครับ ก็คือโพสลงไปเลยนะครับทีนี้นะครับเราเพิ่มเข้าไปอีกสเต็ปหนึ่งแค่นั้นเองนะครับสเต็ปที่เพิ่มขึ้นไปก็คือแค่นี้นะครับจากข้อมูลของเรานะครับเราเพิ่มไปโพสในเพจ e QQ แทนนะครับแล้วค่อยแชร์นะครับแชร์คอนเทนต์ของคุณเนี่ยจากเพจ e QQ นะครับมาที่โซเชียลเวิร์ดที่คุณใช้งานนะครับก็พูดง่ายว่าจากปกติเนี่ยคุณเคยโพส a c e b o o k คุณโพสลงไปเลยบนเ a c บน o o k ของคุณคุณก็เปลี่ยนใหม่ โพสลงบนเพจค q วคก่อนนะครั บ, q, รบแล้วก็เอาข้อมูลบนเพจค q วเนี่ยมาโพสตลง Facebook ของคุณนะครับแค่นี้เองคุณก็สามารถทําเงินได้แล้วซึ่งนะครับวันนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาก่อนของเพจค q วนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับจะมีทั้งช่องนะครับคอนเทนต์ดีเจสเตอร์รับอร์ดของคุณซึ่งคุณสามารถดูแลหน้ารัชบอร์ดของคุณเองได้เหมือนเสมือนคุณเป็นเจ้าของเว็บเลยนะครับโอเคถ้างั้นเรามาดูกันว่าคุณมีผลประโยชน์อะไรล่ะจากการที่คุณเป็นสมาชิกเพจ q q ผมบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเราเราเราเชื่อไหมว่าวันนี้คนใช้ Facebook เนี่ยเกือบทั่วโลกนะเป็นพันล้านคนเลยนะครับ Mark Zuckerberg ให้คุณสมัครสมาชิก Facebook ฟรีไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเลยคำถามก็คือว่าคุณใช้ Facebook แต่ Facebook รวยมหาศาลจากการขายโฆษณาจากการใช้งานแต่คุณไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะว่าคุณจะได้ไงก็เขาให้คุณใช้ฟรีนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเราต้องการมีผลประโยชน์ นะครับจากการเป็นสมาชิกของเพจ q q เนี่ยแน่นอนล่ะนะครับมันจะต้องมีการลงทุนนะครับทีนี้คุณต้องบอกผมจะบอกก่อนว่าวันนี้เราได้มาจากการขายพื้นที่ 50% มายัางไงนะครับเพจเนี่ยให้คุณเนี่ยซื้อพื้นที่การเขียนคอนเทนต์เนี่ยตลอดชีพเลยครับฟั ง, งดีนะฮะคุณลงทุน 1,000 บาทในการซื้อพื้นที่คอนเทนต์นะครับไม่ได้ใช้ฟรีนะครับคุณลงทุน 1,000 บาทซึ่งจริงๆถ้าผมมองแบบนักธุรกิจนะผมมองเลยว่าถูกมากนะครับการซื้อพื้นที่ใน World Wide Web เวอร์ คุณสามารถบอกต่อเพื่อนได้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้คุณกําลังขายลิขสิทธิ์ในการขายช่องทางรายได้ให้กับเพื่อนของคุณยกตัวอย่างง่ายนะครับคุณไปชวนเพื่อนเล่น Facebook ตอนสมัย f เฟซบ o ๊กมาใหม่เฮ้ยมีเฟซบุ o กหรื อ, อยังสมัคร Facebook หน่อยครับเฮ้ยเล่นไลน์หรื อ, อยังเอ้ยสมัครไลน์สิ Facebook กับ Li น์ไม่ได้ให้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนคุณนะครับแต่วันนี้ในการเป็นสมาชิกเพจค q วคเนี่ยคุณไปชวนเพื่อนคุณมาใช้งานเพจค q วคุณได้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนจาาากกกรขขยพพืื้้นนที่่ใหับเอองคุณ 50% นั่นหมายความว่า 1,000 ของคุณนะครับคุณจะได้500บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมเจาะลึกเข้าไปอีกทีนะครับรายไดจากการสร้างรายไดจากโครงสร้าง 1% ของสมาชิก20ชั้นนะครับเรียงตามลำดับนะครับรายได้จากการบริหารนะครับนะครับรายได้จากยอดวิวคอนเทนต์นะครับตรงนี้คิดตามสัดส่วนทุกเดือนไม่เท่ากันนะครับคิดตามสัดส่วนทุกเดือนแล้วก็รายได้จากการเป็นศูนย์เซ็นเตอร์นะครับนั่นหมายความว่าณเวลานี้นะครับมี5ช่องทางรายได้แต่คุณทาจริงๆตอนนี้ได้อยู่4 นะครับก็คือ1 2ึ่สอี่นะครับเซนเตอร์เดี๋ยวผมคุยให้ฟังทำไมคุณถึงคุณถึงจะยังทําไม่ได้ตอนนี้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันก่อนว่าแต่ละตัวนะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับทุกคนจะได้รายได้ยังไงลักษณะแบบไหนนะครับโอเคเรามาดูกันก่อนว่าราไดจากการขยายจากการขายพื้นที่เนี่ยห้นะครับนั่นหมายความว่าวันนี้ตัวคุณนะครับคุณเป็นสมาชิกเพจ q ิเรียบร้อยแล้วคุณซื้อพื้นที่คอนเทนต์เรียบร้อยแล้ว1ึ0 0พบาท คุณก็จะมีเพื่อนของคุณอยู่นะครับที่คุณรู้จักที่เขาอาจจะเล่นโซเชียลเน็ตเบิร์กกันอยู่นะครับที่เขามีการโพสต์ทุกวันคุณต้องรู้จักแน่นอนนะครับวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าใครไม่เล่นนะเล่นทุกคนนะครับแล้วทุกคนเนี่ยคุณก็ไปชวนเขาชัญชวนให้ใช้งานผคิวคือชวนมาเล่นนะครับเพจคิวนะครับคุณก็จะได้นะครับค่าจากยอดขายเนี่ยคนละ500บาทนะครับไม่ได้หมายความว่านะครับบริษัทจะให้คุณ500บาทนะ บริษัทเนี่ยจะให้แต่ละคนเนี่ยก็สมัครสมาชิกเช่นเดียวกันนะครับภายใต้ Python username ของคุณนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้คุณแนะนำใน A ใน A สมัครโอนเงินเข้ากับเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์จ่ายคิวให้กับสมาชิก ค, คนที่สมัครก็คือใน A นะครับคุณจะมีปันผล1คุณจะมีปันผลอยู่500บาทนะครับแปลงเป็นคิวในระบบอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอัตราแลกเปลี่ยนฟั ง, งดีนะฮคิวในระบบเท่ากับ50บาทนั่นหมายก็นั่นหมายความว่าวันนี้ห้0บาทของคุณเนี่ยจะถูกแปลงเป็นคิวก่อน ก็คือ10 Q นะครับทีนี้นะครับเอาอย่างนี้นะครับในเมื่อวันนี้คุณลงทุน 1,000 บาทสแสดงว่าการชวนเพื่อนของคุณเนี่ยกี่คนคืนทุน2คนก็คืนทุนแล้วนะครับคุณชวน10คนคุณก็ได้ 5,000 คุณชวน20คนคุณก็ได้ 10,000 คนชวน100คนคุณก็ได้เท่าไหร่ 50,000 แบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าวันนี้ครับคุณจะชวนกี่คนก็ได้นะครับให้มาใช้เพจค q วนะครับให้มา ขายพื้นที่คอนเทนต์นะครับโอเครายได้ข้อที่1ง่ายมา ก, กสุดๆตรงนี้แล้วรายได้ข้อนี้รับทุกวันนะครับเงินเข้าทุกวันถอนได้ทุกวันนะครับถอนจากคิวในระบบได้เลยนะครับโอเครายได้เป็ที่2นะครับบางท่านอาจจสงสัยว่าอันนี้คืออะไรนะครับรายได้จากโครงสร้างหเของสมาชิก20ชั้นนะครับทีนี้เอาอย่างนี้ก่อนนะครับไอเพจ q ิ q ที่เราทําเนี่ย <c oughs> ผมต้องบอกอย่างก่อนนะว่า1ไม่ใช่ธรรุรกิจขายตรง2ไม่ใช่ธรรุรกิจการเงินนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย ตอนที่เราไปคุยกับสคบนะครับสคบว่าธุรกิจของคุณมันไม่เข้าเครือข่ายอะไรเลยนะครับมันไม่เข้ามันไม่เข้าขายธุรกิจขายตรงมันไม่เข้าขายธุรกิจการเงินคุณเป็นแค่เวอร์ไวด์เว็ที่คนสมัครสมาชิกเข้าไปแล้วฟังดีดฮะคุณเป็นแค่เวอร์ไวด์เว็ที่คนน่ยสมัครสมาชิกเข้าไปแล้วก็เล่นนะครับแล้วก็มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับ w วอร์ไวด์เว็นั้นๆซึ่งกําหนดหมวดหมู่ไม่ได้นะครับกฎหมายไม่มีรองรับนะครับนั่นหมายความว่าคนนี้ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่อยู่ในหมวดหมู่อะไรด้วยเพราะว่า เพ QQ ไม่ใช่ผู้ผู้ใช้งานคนสุดท้ายนะครับนั่นหมายความว่าทุกคนเนี่ยสามารถใช้งานได้แบบปกติเลยผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ในหมวดพรบอคอมพิวเตอร์ไหมหรือจะอยู่ในหมวดเกี่ยวกับการใช้ธุรกิจออนไลน์หรือเปล่านะครับซึ่งตอนเนี้คือผมต้องบอกกันว่ากฎหมายไประเทศไทยมพัฒนาไม่ทันธุรกิจนะครับโอเคกลับมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับอยากให้สบายใจได้นะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณจะไม่มีสินค้าคุณจะไม่มีบริการนะครับคุณจะเป็นสมาชิกนะครับ ของเพจแล้วสร้างรายได้นะครับนั่นหมายความว่าวันนี้โครงสร้างของรายได้เนี่ยเขาใช้การจัดแบบบิทมารีแต่ฟังใดีนะครับคุณเนี่ยคุณไม่ต้องมาวางสายงานอะไรเลยคอมพิวเตอร์เนี่ยจะวางเพรสให้คุณอัตโนมัตินะครับ20ชั้นลึกแบบนี้นะครับคุณจะมีรายได้ 1% จากทุกคนที่ถูกเพรสลงมานะครับนั่นหมายความว่า1 2 3 4 5 6 7ไปเรื่อยทุกๆชั้นทุกๆลำดับการสมัครของคนเนะี่ยคุณฟั ง, งดีนะ มันเป็นแค่ลำดับการสมัครนะครับมันไม่ใช่โครงสร้างการตลาดนะครับมันไม่ใช่แผงการตลาดนะมันเป็นโครงสร้างของลำดับการสมัครแต่ละคนนั่นหมายเขาว่ายิ่งคุณสมัครเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับทุกๆคนเนี่ยนะครับจะถูกแบ่ง 1% นะครับยี่10ชั้นลึกเลยนะครับนั่นหมายเพราะว่าวันนี้จำนวนคิวของคุณเนี่ยแรกๆมันน้อยนะครับนะครับศูคิวศูคิวหนึคิวสาคิวนะครับหกคิวแต่คุณลองมาดูที่ชั้นที่9นะครับ ร้อยสองจุ่คิวคูณาบข้นนี้ประมาณ5 0 0 0ันนะครับิ 4, 4 Q, ตรงนี้ประมาณหม0 0 0หนึ่งนะครับในชะั้นที่10นะครับผมให้ดูชั้นที่20นะครับชั้นที่20เนี่ยคนใช้งานจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านกว่าคนนะครับจำนวนคิวจะอยู่ที่ 200,000 คินะครับแค่ชั้นนี้ชั้นเดียวเงินจะอยู่ประมาณ1ล้านกว่ากว่า นั่นหมายความว่าวันนี้จำนวนคิวรวมทั้งหมด20ชั้นที่เกิดขึ้นนะครับตามลำดับชั้นลึก20คิวเนี่ยคุณได้รายได้ 1% เนี่ยคุณจะมีเงินอยู่ประมาณ20ล้านนะครับผมไม่ได้บอกหรอกว่าตรงนี้มันจะเกิดขึ้นนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆนะครับเพราะว่าอะไรรู้มมันจะเป็นโซเชียลที่คนจะเข้าไปใช้งานเพราะว่าทุกคนต้องการผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับเบรวที่เองเล่นอยู่นะครับโอเค อันนี้คือรายได้จากโครงสร้าง 1% นะครับคุณไม่ต้องเข้าใจมันทั้งหมดก็ได้นะครับเอาเป็นว่าคุณทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมาเองนะครับโอเคนะครับนี่ฮะอัตราแรกเปลี่ยนนะครับเท่ากับ้าสิบาทนะจำดีๆนะครับอันที่3นะครับจากการบริหารสมาชิกนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้เพื่อนคนที่คุณชวนมาเนี่ยคุณจะมี 10% นะครับจากรายได้ของสมาชิกทุกคนที่คุณแนะนำตรงๆนะครับเช่นนะฮะและ B เนี่ย มีรายได้คนละ1 0 0 0 0แสนนะครับเวลาเขาถอนคิวออกจากระบบเนี่ยถอนคิวจากระบบเนี่ยคุณจะได้ 10% จากเขานั่นคือคนละ 10,000 มบาทง่ายๆ่าแค่นั้นเองนะครับเพื่อนคุณมีรายได้เท่าไหร่เวลาเขาถอนคิวจากระบบคุณก็จะมีรายได้จากเขา 10% ด้วยนะครับคิดเป็นคิวในระบบนะครับเช่น1นึ่แสนบาทเนี่ยเท่ากับกี่คิวเอา5 0หารนะครับแบ่งเป็นเงิน 10,000 บาทเนี่ยเท่ากับกี่คิวเอา50หารนะครับแล้วคุณค่อยถอนเงินออกมานะครับจากระบบนะครับเงินจะถูก ทุกคนอาจจะอยากรู้ว่าแล้ววันนี้รายได้มันมาจากวิวมันมายังไงนะครับทุกคนดูตรงนี้นะครับวันนี้เนี่ยเพจ q ิ q เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกจําได้ไหมฮะมันเป็นพื้นที่การขายพื้นที่ในการสร้างคอนเทนต์แสดงว่านะครับมันจะมีรายได้ส่วนหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นจากตรงนี้นะครับโอเคผมต้องบอกอีกทีก่อ น, นว่า Q อะ่ะอ๋อไม่ใช่ Q ิววิวอะ่ะเรทของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยของวิวเนี่ยแต่ละเดือนมันจะไม่เท่ากันนะครับ 123ที่ผมพูดมาเมงเนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ค่ายอดขายตั้งแต่ 1% ชั้นลึกตั้งแต่ตัวสิอร์เซ็เนี้ยมันจะเป็นเงินรายวันแต่ตัววิวเนี้ยจะเป็นเงินรายเดือนนั่นหมายความว่า1เดือนเขาจะคิดให้คุณแค่หครั้งเท่านั้นนะครับทุกต้นเดือนนะครับจะคิดจะคิดเลทวิวให้นะครับทีนี้เลทวิวคิดแบบนี้ครับสมมุติเพจคิ Q เนี้ยมีกําไรทั้งเดือนเท่าไหร่เช่นกําไรจากค่าโฆษณานะครับกำไรจากการสมัครใช้งานแบ่งเป็นเปอร์เซ็นนะครับสนะิบเปอร์เซ็นแบ วิวนะครับแล้วก็ได้จากการเซอร์วิชนะครับซิสเต็เดือนละหกนะครับทีนี้เอ า, อางี้ก่อนครับกำไรทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยเขาจะถูกนํามาหารถูกนํามาตัดแบ่งส่วนนะครับเช่นวันนี้เดือนเดือนนี้ไม่ใช่วันนี้เดือนเดือนนี้นะครับคนที่ใช้ View คนที่ใช้ระบบเนี่ยทุกคนโพสต์คอนเทนต์ทุกคนมียอด View ทั้งระบบเท่าไหร่จากทุกโพสต์จากทุกคนในเดือนเดือนนั้นนะครับเช่นกําไรมี10ล้าน กำไรจากยอดวิวเนี่ยฮะกำไรไม่ใช่กับกำไรจากยอดวิวขออภัยกำไรของเพจ q ิเนี่ยมีอยู่10ล้านบาทฟังดีๆฮะกำไรของเพจคิมีอยู่10ล้านบาทนะครับยอดวิวทั้งหมดของทุกคนทั้งระบบเนี่ยในทุกเดือนในทั้งเดือนเนี่ยมีอยู่10ล้านวิวเท่ากันแสดงว่าเลทของอัตราแลกเปลี่ยนคือ1บาทถ้าคุณมีอยู่ 10,000 แสวิวคุณก็จะได้ไป 10,000 บาทถ้าคุณมีอยู่5วิวคุณก็ได้ไป5บาทถ้าคุณมี200วิวคุณก็ได้ไปส0งบาท กับกันถ้าวันนี้เพจ q ิ q มีกําไรในเดือนนั้นนะคือ10ล้านเหมือนกันแต่วันนี้ยอดวิวทั้งระบบมีอยู่20ล้านวิวนะครับหารกันนะครับได้เท่าไหร่ออกมาเลดวิวละ50สตางค์แสดงว่าถ้าเลดวิวคือ50าสตางค์คุณมี1ล้านวิวคุณก็จะได้ไปห0 0 0 0คุณมี10วิวคุณก็จะได้ไป5บาทคุณมี2วิวคุณก็จะได้ไป1บาทแบบนี้นะครับอัตราวิวเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับในแต่ละเดือนอยากให้สื่อสาร ให้ถูกต้องด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่วิวละบาทไม่ใช่วิวละ2บาทแต่แล้วแต่สัสดส่วนบางทีเดือนอาจจะเป็นวิวละ3บาทก็ได้บางเดือนอาจจะเป็นวิวละ5บาทก็ได้บางเดือนอาจจะตกมาที่วิวละ50สะตบตังก็ได้ขึ้นอยู่กับกําไรขึ้นอยู่กับยอดวิวของแต่ละเดือนแต่เชื่อไหมครับว่าวันนี้แพส q, q ิอ่ะจ่ายเลทวิวอ่ะสูงที่สุดในโลกแล้วเท่าที่ผมเคยเห็นมา YouTube ยังจ่ายไม่ถึงเราเลยนะครับ นั่นหมายความว่าวันนี้อัตราการเติบโตและอัตราคนที่ใช้งานเนี่ยก็จะมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆเดือนนั่นหมายความว่าแต่ละเดือนเนี่ยบริษัทมีกําไรมากขึ้นแล้วอีกหน่อยอีเจนซีเข้ามาโฆษณาเข้ามาเราก็จะมีรายได้จากค่าโฆษณามากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าเรทของวิวก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยคนใช้งานยิ่งเยอะนะครับกําไรก็ยิ่งเยอะกําไรยิ่งเยอะเรทก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหน้าที่ของคุณก็คือคราวนี้แหละ คุณจะทำยังไงล่ะให้ยอดวิวคุณเยอะขึ้นเรื่อยเรือนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของคุณแล้วนะครับทุกคนจะแชร์กันหมดนะครับนั่นหมายความว่าทุกๆเดือนนะครับเกิดคนสมัครใหม่มากขึ้นนะครับและทุกๆเดือนก็เกิดการรักษาสิสต์เต็มด้วยเดือนละ6คิวนะครับคุณฟังใดีนะครับคุณสมัคร1000งับาทแล้วเนี่ยแต่และเดือนเนี่ยถ้าคุณอยากได้ยอดวิวแต่และเดือนถ้าคุณอยากได้ 1% หรือร0ชั้นคุณต้องบริหารผมใช้คำว่าบริหารนะบริหารวิวของคุณ ไม่ใช่บริหารวิวขอคุณบริหารคิวของคุณนะครับให้อยู่ในเดือนเน uh, yeah. really, ี่ยเดือนละ6กคิวนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณมี100ยคิวเวลาคุณถอนคิวออกจากระบบเนี่ยคุณค่าคุณให้คุณค้าไว้ในระบบและหวิวนะครับเป็นค่ารักษาสิสต์เเต่นะครับไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเงินสดนะคุณเข้าใจไหมถ้าคุณถ้าคุณบริหารเป็นคุณไม่ต้องควักเงินสดไปแม้แต่บาทเดียวครับคุณชวนเพื่อน1คนคุณก็ได้แล้ว10วิวนะครับคุณชวนเพื่อน2คนคุณก็ได้แล้ว20นะครับแสดงว่าคุณต้องบริหาร นะครับคิวของคุณในระบบเนี่ยให้อยู่ในระบบ6คิวนะครับก็คือว่าให้หลักของคุณยังคงอยู่นะครับไปเรื่อยทุกๆเดือนนะครับคุณก็จะได้ส่วนแบ่งจากกําไรจากยอดวิวแล้วก็คุณก็ได้ 1% 20ชั้นลึกทุกๆเดือนนะครับแบ่งเป็นเงินแล้วเนี่ยถ้า20ชั้นเนี่ยผมบอกนะว่าจะอยู่ประมาณ2กว่2กับ3ล้านนะต่อเดือนนะครับอย่าทิ้งเชียวนะครับโอเคถ้างั้นเราได้จากยอดวิวคอนเทนต์ Content, นะครับเคลียร์ไหมเคลียร์นะโอเค กำไรเท่าไหรหารด้วยยอดวิวทั้งหมดนะครับออกมาเป็นเลทแล้วเอายอดวิวของคุณไปคูณนะโอเคนะครับทีนี้รายได้จากการเป็นเซนเตอร์นะครับคือเซนเตอร์เนี่ยคุณจะมีกำไรเพิ่มอีก 2% แต่คุณต้องมีคุณสมบัติแนะนำตรงให้ได้ก่อน100คนนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้สมาชิกทั้งหมดในทีมงานของคุณที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเซนเตอร์เนี่ยก็ทำหน้าที่กระจายคิวให้สมาชิกเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าคิวในระบบเนี่ยจะต้องมีเซนเตอร์หนึ่งคนนะฮะในการกระจายไป คุณจะมีรายได้ 2% จากจํานวนคิวทั้งหมดที่ถูกจ่ายให้สมาชิกซึ่งถ้าใครทํา100คนตรงๆได้จริงคุณค่อยไปคุยกับบริษัท n ะว่าคุณจะเป็นเซนเตอร์ไหมนะครับเพราะว่าการขายคิวให้กับองค์กรเนี่ยผมบอกกันแว่าจริงๆแล้วอัตราแรกเปลี่ยนของของคนที่เป็นเซนเตอร์เนี่ยนะครับจะถูกกว่าคนที่เป็นคนที่เป็นยูเซอร์นะครับตรงนี้คุณจะได้กําไรจากทุกคิวที่เกิดขึ้นนะครับในซิสเต็มของคุณเนี่ย 2% นะครับก็ให้ไปคุยกับบริษัท นะครับเดี๋ยวบริษัทก็จะมีเงื่อนไขให้คุณถ้าคุณต้องการเป็นเซ็นเตอร์นะครับแต่เซ็นเตอร์ก็ถามต่อโอนคิวโอนเงินทุกวันนะครับก็เวลาจะเป็นก็ไปดูเงื่อนไขเอานะครับเอาเป็นว่านะครับ1น3 4เนี่ยตั้งแต่ยอดขายนะครับตั้งแต่รายได้ 1% 20เป็นชันลึกแล้วก็รายได้10นะครับแล้วก็รายได้ยอดวิวคุณสามารถทาได้ง่ายๆเลยนะครับแค่คุณเปลี่ยนที่โพสแค่นั้นเองนะครับโอเค ทีนี้ผมต้องบอกอ่ี้ก่อนว่าคุณเริ่มต้นง่ายๆครับคุณไม่ต้องคิดเยอะนะครับโปรเจกต์เพจ QQ เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ขำๆไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจใหญ่ขนาดไหนอยู่ผมก็บอกเลยว่ายินดีคุณจะทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคุณจะขายของคุณจะเป็นช่างภาพคุณจะเป็นนักดนตรีนะครับคุณสามารถทําได้หมดเลยนะครับคุณขายของบนเพจ QQ ก็ได้คุณโพสต์ธุรกิจที่คุณทําบนเพจ QQ ก็ได้คุณเป็นศิลปินคุณโพสต์คลิปบน u t u b e แล้วคุณก็แชร์คลิปของคุณมาที่เพจ QQ ก็ได้ เพื่อสร้างคอนเทนต์นะครับเวลาคนเข้ามาดูโพสของคุณนะครับแทนที่จะไปดูบน YouTube คุณเข้ามาดูใน QQ เนี่ยสมมติมีคนดู1ล้านคนนะครับคุณจะได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่จากยอดวิวนะครับในคลิปของคุณนะครับบางคนเนี่ยไปสร้างคลิปบนยู u ูบนะครับคนดูเป็นล้านเลยนะครับแต่คุณไม่ได้อะไรเลยก็มีนะครับหรือว่าคุณได้น้อยมากนะครับก็มีนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้คุณแค่เปลี่ยนที่โพสนะครับแล้วคุณก็แชร์ให้โลกได้รรู้ว่าณเวลาเนียมันมีเพจ q ิอยู่แล คุณชวนเพื่อนมาคุณบอกต่อเพื่อนนะครับอ่ะถ้างั้นเริ่มต้นง่ายๆนะครับวันนี้ที่ผมพูดเนี่ยให้คุณตัดสินใจบนข้อแท้จริงนะครับหนึ่งสิ่งที่คุณต้องทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวันนะครับคุณจะได้เงินได้ไงจากมันนะครับวันนี้แค่คุณเปลี่ยนนะครับที่โพสต์มาเป็นสมาชิก w w w p a g e QQ.com เนี่ยคุณก็แค่สร้างคอนเทนต์นะครับแล้วคุณก็สามารถชวนเพื่อนมาคุณก็ได้เงินแล้วนะครับอ่ะ ไม่ไตัดสินใจเป็นขอไจริงนะค ร, รับคุณผมบอกเลยว่าวันนี้มันไม่มีผิดไม่มีถูกอ่ะคุณมองเห็นว่ามันใช่คุณมองเห็นว่ามันง่ายคุณมองเห็นว่ามันเป็นช่องทางการทําเงินที่ง่ายนะครับคุณก็สามารถทําได้นะครับคุณสมัครสมาชิก ค, คุณซื้อพื้นที่ในการสร้างคอนเทนต์ได้เลยนะครับในราคาแค่1000บาทตลอดชีวิตนะครับคุณโพสต์กี่โพสต์ก็ได้1000บาทคุณทําธุรกิจตรงนี้ได้ตลอดชีวิตผมไม่มองเป็นธุรกิจด้วยผมมองว่ามันเป็นมันเป็นช่องทางการทําเงินขาๆอ่ะ ห0ึ่บาทบางคนไปยืดผมก็หมดแล้วอ่ะ1000บาทบางคนไปกินข้าวก็หมดแล้วอ่ะแต่วันนี้หน0 0งบาทของคุณน่ยคุณสามารถแปลงเป็นเงินล้านได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีแค่แค่คุณทําเป็นแค่คุณรู้ว่ามันคืออะไรคุณก็ทําได้แล้วนะครับโอเคคุณซื้อพื้นที่คอนเทนต์แล้วคุณก็ขายไอเดียนี้ให้กับเพื่อนของคุณนะครับเริ่มต้นใช้งานผมอยากจะบอกว่านะครับการใช้งานที่เพจคิเนี่ยผมอยากให้คุณใช้งานให้เป็นจริงๆนะครับคุณสมัครสมาชิกแบบไหนนะครับ คุณแนบสเตปในการแอปพิสูจรหัสของคุณแบบไหนคุณโพสต์ได้ยังไงนะครับคุณถอนคิวแบบไหนนะครับซึ่งจริงๆอ่ะผมบอกเลยว่าค่อนง่ายเลยมันโค้ดง่ายเลยนะครับอยากให้เริ่มต้นใช้งานแบบเป็นจริงๆนะครับลองใช้ดูลองโพนะสต์ดูนะครับแล้วก็ง่ายสุดนะครับวันนี้ชักชวนเพื่อนให้ใช้งานเริ่มต้นแค่2คนเท่านั้นนะครับเริ่มต้น2คนคุณจะได้ทุนคืนแล้วทันทีเลยนะครับแล้วก็ช่วยให้2คนของคุณเนี่ยเขาก็คืนทุนเหมือนกันโดยการมีเพิ่ม2คนเหมือนกัน น, นั่นหมายความว่าวันนี้นะครับคุณเริ่มต้นจากการที่ไปบอกเพื่อนของคุณให้มีรายได้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะทํางานได้หมื่นห้ามาต่อเดือนทํางานทั้งเดือนเลย<อ>เขาอาจจะทำเพจคิวคเนี่ยในเดือนในนั้นเนี่ยเขาอาจจะชวนเพื่อนได้สิบคน10บคนหมายความว่าเขามีอีกกระเป๋าหนึ่งห้าพบาทคุณว่าดีขึ้นไหมอะ่ะหรือว่าบางคนเนี่ยตกงานอยู่ไม่รู้จะทําอะไรไปสมัครงานก็ไม่ได้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ย ทำงานได้เดือนละสามร้อทำงานได้วันละ300บาทใช้ในงานต่างๆแต่วันนี้แค่เปลี่ยนมาโพสต์ที่ต้องโพสต์อยู่แล้ว่คุณเล่น Facebook กันอยู่แล้วคุณเล่นโซเชียลมันอยู่แล้วคุณเปลี่ยนที่โพสตก่อนคุณชวนเพื่อนมาใช้งานคุณได้แล้วเงินนะครับวันละ500วันละ1นึ่พันผมก็มองว่าเป็นไรายได้อีกกระเป๋าแล้วนะครับที่จะช่วยให้คุณซัพพอร์ตในการเดินทางซัพพอร์ตในการกินข้าวค่าน้ำมันต่างๆนะครับในการทํางานของคุณนะครับไม่ต้องไปมองหลักล้านก็ได้ถ้าคุณมองไม่ถึงผมบอกให้มองแค่ว่าหลักพัน หลักพันหนึ่งต่อวันเดือนหนึ่งก็3ามหมื่แล้วนะครับแต่ถ้าวันนี้ใครเข้าใจคอนเซ็ปต์ของ p พจคคจริงคุณจะเห็นเลยว่าวันนี้เงิน1ลนะ้านน่ยปั่นไม่ยากเลยนะครับในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนนะครับเอาเป็นว่านะครับวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านได้เห็นกันว่าวันนี้มันมีพื้นที่นะครับในการทํางานนะครับในการที่จะโพสต์ในการที่จะมีรายไดย้บนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องเชื่อผมนะครับแต่ให้เชื่อข้อเท็จจริงให้เชื่อหัวใจตัวเองนะครับแล้วคุณก็ค่อยลงมือทํา ถ้าคุณทำผมบอกเลยนะคุณชวนเพื่อนได้หนึ่งคนรหัสของเพื่อนคุณแอดฟุกเท่าไหร่คุณมีคิวเข้าในระบบคุณถอนเงินคิวมาแล้วคิวเข้ากระเป๋าคุณเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคุณคุณก็มีผลลัพธ์เนี้ยคุณก็จะเห็นมากขึ้นว่าคุณมีผลลัพธ์แล้วคุณก็จะเชื่อนะครับวันนี้เนี่ยผมได้เงินจากเพจค q วผมบอกเลยนะครับว่าผมคืนทุนไปตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับที่เหลือของผมคือกําไรล้วนๆเลยผมได้มาโอ้โหหลายหมื่นแล้วนะจากเพจค q วนะครับเพียงแค่ผมชวนเพื่อนเนี้ เพียงแค่ผมไปบอกเพื่อนว่ามันมีช่องทางการทําเงินแบบนี้อยู่บนโลกออนไลน์อ่ะง่ายมากนะครับผมเห็นมากขึ้นผมเชื่อมากขึ้นผมก็ทํามากขึ้นครับวันนี้เนี่ยในทีมงานของเรามีเป็นร้อยคนนะครับที่เข้าใจที่กําลังกระจายอยู่นะครับผู้นำร้อยคนที่กําลังกระจายนะครับการสร้างพื้นที่ในการที่จะทําอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่มันง่ายมากนะครับเมื่อทํามากขึ้นแน่นอนครับวันนี้ผลลัพธ์เรามากขึ้น เมื่อเราทำมากขึ้นผลลัพธ์เรามากขึ้นเราก็เห็นมากขึ้นเราก็เชื่อมากขึ้นนะครับแล้วผมบอกเลยครับว่าวันนี้ช่องทางการทำเงินของเพจคิวคนะจะไม่จบอยู่แค่5ช่องทางนะครับเราจะมีอยู่8ช่องทางแต่ผมขออุบไว้ก่อนนะครับตอนนี้ให้ทำแค่4ก่อนนะครับช่องทางที่6กกำลังจะออกมาเร็วนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าวันนี้ทำแค่ในประเทศไทยก่อนเท่านั้นนะครับเพจคิวคเนี่ยทำกันจริงจังจริงๆเลยนะฮะเพิ่งเริ่มต้นมาเมื่อประมาณเกือบสองอาทิตย์ที่ผมทำจริงจัง นั่นหมายความว่าวันนี้ครับทะเลยังใหญ่อยู่ยังไม่มีการเบียดเสียดเพื่อนของคุณยังไม่รู้จัก page qq คคุณมีหน้าที่ไปบอกเขาให้เขารู้จักว่าวันนี้มีช่องทางการทำเงินบนโลกออนไลน์จากการเป็นสมาชิกเว็ e ไซ c ์เคนะครับคุณก็จะทำงานคุณก็จะทาเงินได้เลยจากการบอกบผมบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยไม่อยากให้เสียโอกาสดีๆไม่อยากให้ทิ้งโอกาสดีๆในการที่จะทาเงิน นะครับบนโลกออนไลน์1000บาทของคุณนะครับคุณใช้ไปก็หมด <c oughs> แต่ถ้าวันนี้หน0 0งบาทของคุณเนะี่ยคุณเลือกที่จะลงทุนในพื้นที่นะครับที่เป็นคําตอบที่เป็นช่องทางการทําเงินที่มันใช่ที่มันง่าย <c oughs> ผมบอกเลยครับถ้าคุณทําเป็นและคุณเข้าใจทั้งหมดนะห0ึ่บาทของคุณจะมีค่าเป็นล้านภายในไม่กี่เดือนนะครับถ้าใครไม่เชื่ออ่ามันต้องมีพิสูจน์จริงไหมถ้าใครไม่เชื่อให้รอดูอีกหน่อยนะฮะ เพจค q นะครับทุกวันนี้เป็นไงเฟซมาหาหน่อยไลน์ Line มาหาหน่อยต่อไปฮะคิ q q มาหาหน่อยหรือว่าคนเนี่ยคุณเดินไปเขาก็จะออนเพจ q q กันหมดนะครับอีกหน่อยบริการต่างๆโฆษณาต่างๆจะเข้ามานะครับคนก็จะมากขึ้นเมื่อคนมากขึ้นก็จะเปิดตลาดต่างประเทศนะครับวันนี้เนี่ยเฟซบุ o กเนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกนะครับเพจก็เช่นกันเพจค q ก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ที่จะขยายไปเรื่อยๆ ตอนนี้เราเป็นเราเป็นตลาดใหม่ที่ที่ทำเงินง่ายนะครับและที่สําคัญก็คือว่าวันนี้เนี่ยคุณจะได้ผลลัพธ์จากการเริ่มต้น4ีขั้นตอนนี้นะครับแน่นอนนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับสําหรับผมนะครับแล้วก็ข้อมูลการบรรยายเพจค q วเนี่ยก็ขอจบท่านี้นะครับแล้วก็ใครที่ใครที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ผมนะครับหรือว่าในไลน์นะครับ Facebook ก็อ่าพักเดชอัคราชัยพัฒที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้นะครับแล้วก็ติดต่อมาได้ไลน์เลยนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวยังไงเราไว้เจอกันนะครับหนึ่งพันหนึ่นมาแปลงเป็น1ล้านลุย